บรรดาลูกรักของพ่อทุกคนเซมหลับตอนนี้ก็คุยกันต่อนะจ๊ะมาคุยกันต่อวันหลังจากที่พ่ออาเจียนลงไปแล้วแล้วก็พ่อกำลังจะล้างอ่างที่พ่ออาเจียนก้าเสียงลูกนนทาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกจะล้างเอง พ่อก็ออกมาก็มานอนเข้ามาห้องพรมสีเขียวพอเริ่มนอนลงไปก็รู้สึกว่าท้องมันจะถ่ายยังเนลูกจาห้องพรมสีเขียวเข้าห้องน้ำอีกห้องหนึ่งห้องน้ำห้องนี้ไปห้องน้ำของห้องพรมสีเขียวพ่อพ่อเข้าไปนั่งก้นถึงปากโถวสวม ความรู้สึกพิเศษมันเกิดขึ้นในตาพระทันทีแต่ขอบอกให้ลูกทราบไปก่อนว่าตอนนี้เนะี่ยพ่อยังมีแรงดีจิตใจยังมีความสุขอารมณ์ต่างๆเป็นปกติทุกทั้งหมดด้านนห้นอารมณ์นี้ไม่มีการหวนไหว้ร่างกายที่เดินเข้ามามันก็ไม่ส่วนไม่เสีไม่ใช่ไปพเผีมันเดินตามปกติ แต่ว่าพอก้อนทิ้งโถส้วมก็ปรากฏในตาพร่าพุ่ขึ้นมาในตาพร่ามันแล้วก็เป็นตาฟ้ามองอะไรไม่เห็นมองที่หน้าประตูส้วมเกือบมันพรางพร่าเห็นไรๆเต็มทีก็มีความรู้สึกในใจว่าใจนี่มันปกติรู้สึกว่าถ้าว่านั่งที่ที่โถส้วมนี ดีไม่ดีแรงทั้งร่างกายมันหมดล่าจะหล่นลงไปกันได้ถ้าร่างกายมันต้องตายลักษณะนี้จะรู้สึกว่าเป็นที่ทุเรศใจหรือว่าเสียใจของลูกๆทั้งหมดเพราะว่าพ่อทำความดีมาหลายอย่างพ่อไม่ได้ถือว่าพ่อดีอย่างเดียวนะความชั่วของพ่อก็มี แต่ก็สั่งสงสงความดีการสอนธรรมะเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนได้ที่ไปยู่คุณดานได้มโนมยิธิและพ่อจะต้องมาตายพ่อหล่นจากโถส้วมตายนี่ก็ต้องคิดแต่เรื่องความตายนี้รูรักเราก็บังคับกันไม่ได้อย่างพระโมคคัลลามีฤทธิ์ก็ต้องปล่อยให้โจรทุบแต่แท้ก็ไม่ตาย ถ้าเวลาพระพุทธเจ้านิพพานตายพ้อคิดว่าถ้ามันหล่นลงไปตายหรือไม่ตายจะเป็นที่เศร้าใจของลูกมากเป็นการรักษากำลังใจของลกูกพ่อพยายามทรงตัวลูกขึน้นตอนนี้ใจเป็นสุขลกูกพอเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทุกท่านเป็นปกติ แต่ว่าตาพ่อไม่เห็นประตูที่ออกมันมืดมัวไปหมดพ่อพยายามค่อยๆเดินเกรงว่าจะไปสะดุดอะไรเข้าพอไปถึงประตูจับขอบกาแพงออกมาภายนอกดูประตูนอกอีกชั้นหนึ่งที่จะออกมันก็มองไม่เห็นตอนนี้พ่อมองไม่เห็นอะไรเลยมันก็คนตาบอดสนิท ก็มีความรู้สึกว่าถ้าบางเอื่นพ่อเดินออกไปมัน่วนล้มลงที่ไหนจะทำให้กำลังใจของลูกทุกคนเสียหมดฉะนั้นพ่อจึงตัดสินใจนั่งตรงนี้แหละมันจะเป็นที่ไหนก็ช่างแล้วก็นั่งลงไปพอนั่งลงไปแล้วก็รู้สึกว่ากำลังกายเนี่ยมันไม่ดีมันจะทรงตัวไม่ไหว นี่ความจริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็มาคิดว่าจะต้องเองกายแต่เองกายลงไปนี่แว่นมันจะเสียแว่นนิยมนนน้อยโลพันสีท่านสร้างให้ราคาแพงมากริงได้ถอดแว่นพอถอดแว่นจะวางลกหลักตอนนี้พ่อก็หมดความรู้สึกทางกาย ไม่รู้ว่าวางว่นลงไปได้ยังกายเอนนอนลงไปแล้วอยังตอนนี้พ่อไม่รู้เลยเมื่อถอดวั่นออกทําท่าจวางอาทิสมาดายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตมันก็หลุดจากร่างกายโดยที่พ่อไม่ได้ตั้งใจ มันหลุดกไปแล้วแบบประเภทไม่ห่วงร่างกายไม่เกิดความรู้สึกทั้งร่างกายเลยหลุดเพิบงเกิดไปมีความรู้สึกครั้งแรกก็ปรากฏว่าอยู่หน้าบรรุคมพลศิลาอาจของท่านโกศีสกัลเทวราช ค, คือท่านปู่ของโลก <Yeah. S 1> แต่บริเวณนั้นปรากฏว่าเต็มไปด้วยเทวดาพรมพระอริยะและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทุกท่านเปลี่ยรัศมีกายผ่องใสเต็มอัตราทั้งหมดรู้สึกว่าสว่างสวัยไปทั่วดาวดึงจะมองไปในด้านไหนเห็นแจ่มชัดใสสะอาดแพรว์พร ว, พรวสวยสดงามเป็นพิเศษมองไปดูด้านพระจุลามุณีเจดีสถานก็สวยงามมาก แต่ความจริงการขึ้นไปของพ่อทุกทีมันไม่มีอะไรสวยเท่านี้พ่อกราบท่านปู่ท่านยา่าแล้วท่านพ่อท่านแม่ทั้งหมดนี่ก็เดินเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระบรมสุคตและพระอาหารหันต์ทั้งหมดและท่านผู้มีคุณพอกราบแล้วสมเด็จพระบพิีกแก้วก็ทรงตัดว่าขึ้นไปนิพพานกันเถอะ มอท่านจัเท่านี้ทุกท่านทั้งหมดก็ถึงนิพพานทันที <Yeah. S 1> พ่อก็ไปกับท่านด้วย <Yeah. S 1> เรื่องของนิพพานในโนระผ่้ <Yeah. S 1> นักเขียนตำรา <Yeah. S 1> เขาติพ่อว่า <Yeah. S 1> ไม่เคารพในพระปริยัติ <Yeah. S 1> แต่พ่อก็ไม่ได้สนใจสมัยที่เป็นนักปริยัติพ่อก็ว่านิพพานศูนย์ yeah. Yeah. Yeah. แตล ว, ว่าเวลาพ่อตายทีไรนิพานมันไม่ ส, สูญสักทีเจนั้นเวลานี้ไม่ใช่เวลาเขาปริยัติพระพ่อยัดมันมาพอแล้วยัดเท่าไรมันก็ไม่เต็มยิ่งยัดยิ่งมีทิฏฐิมานะนิพานจะสูญหรือไม่สูญเป็นเรื่องของนักปริยัตและก็เป็นเรื่องของนักปฏิบัติ ถ้าปริยัติทำให้คนรู้ดี mm hmm. ก็ไม่ต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันโง่ mm hmm. ก็ไม่ควรจะปฏิบัติต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของความตายวาระที่เจ็ดโลกรักไม่ควรจะเป็นที่เก้าพ่อเธอขอตัดเป็นที่เจ mm ็ด hmm. ตอนนี้เมื่อถึงพระนิพพาน mm hmm. เป็นว่าทุกท่านกว็วาดล้อมทุกอย่างพ่อมีความแปลกใจอยู่นิดนึง่ง ว่าตามธรรมดาคนถ้าตายจริงถึงบรรดุกรรมผลศรลอาจมีสภาพเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเ จ, จ้าพระองค์จะทรงบระกาศเรื่องการละขนันหาแต่ว่าพอไปถึงที่นั้นท่านแทนที่จะตัดบอกว่าไปนิพพานเถอะก็ไปที่อยู่ของพอ่อที่นั่นทุกคนเงียบสงัด ที่ทรงตัดโยงองค์เดียวก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ทรงตัดว่าความสุขใดๆที่มันจะมียิ่งไปกว่าพระนิพพานไม่มีแล้วสมเด็จพระจินสีก็ทรงตัดต่อไปว่าเรื่องของนิพพานนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดากําลังใจของเธอเนี่ย มันเกาะติดนี่ผ่านแล้วที่มีอารมณ์จืดเรื่คนที่จะมาที่ผ่านได้ต้องมีแค่แสใจจืดแบบนี้คือมันจืดทุกอย่างคืออารมณ์มันไม่ติดเรื่องน้นลูกรักถ้าใครเขาพยายามว่าพ่อเป็นพระ อ, อรหันต์ก็จงอย่าเชื่อเขาแล้วก็บอกว่าพ่อเป็นพระเรียเจา้า ก็จงอย่าเชื่อคำพยากรณ์เม่าพ่อเป็นพระผู้ทรงฌานสมาบัติก็จงอย่าเชื่อเดี่<ม>ยลูกไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่มีความรู้สึกว่าเป็นพ่อเป็นพระทรงฌานหรือว่าพ่อเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าพ่อเป็นพระอรหันต์ความรู้สึกในด้านนี้ของพ่อไม่มีพ่อไม่เคยําเนด ก็มีความคำนังอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงเราจะละวะตะสงสารได้ไหมีอารมณ์ใจอยู่เพียงเดียนี้ก็คิดว่าถ้าเมื่อไรกิจเข้าถึงสังขารุเปกขายานทุกอย่างในเมื่อเราวางเฉยใจอารมณ์ของความชั่ววางเฉยใจอารมณ์ของโลภีวิสัยเราอาจจะมีความสุขอาจจะมีความสบาย ตายแล้วจะเป็นยังไงไม่มีความหมายความหมายมีความสำคัญอยู่ว่าให้ขณะที่มีชีวิตอยู่จิตมันก็ไม่หวั่นไหวมีความสุขมนโลกกระทำมาความหมายความไม่ติดในโลกกระทำให้จิตมันจืดช่ดหมดพรหองค์มเด็จพระบรมสุคตส่งตัดจุดเดียวหนึ่งก็ทรงให้ดูร่างกายของตัว ว่าเวลานี้เธอเห็นว่าทุกคนเขาสว่างสวัยเขาผ่องใสมากแล้วเธอล่ะสว่างไหมก็ดูของตัวว่าตายจริงเราลืมดูตัวเราเราก็สว่างเหมือนกันแล้วมันก็สว่างสวัยใสที่สุดเกินกว่าที่จะเห็นมาในการก่อน <c oughs> ตอนนี้ไปองค์สมเด็จพระจินวรที่์เจ้าลงแนะนํา ว่าการสอนลูกศิษย์ต้องใช้รัศมีกายช่วยโดยเธอมาจากพระโคติสัตแล้วก็จวนจะบรรลุหมายกว่าจะจบกิจพระโคติสัตชาตินี้อยู่แล้วรอแต่การบรรลุแต่มาเอินเทอลาพุทธภูมิเสียก่อนจนันทสีกายจึงออกมามีได้สีส่สีไม่ครบหกสี แต่ตอนนี้ไปใช้สีกายได้หกสีพ่กราบท่านว่ามิฉนั้นก็จะเป็นการปรมามไม่พระองค์สมเด็จพระจินนรสีเป็นการตีเสมอแต่กระสมด็จว่าฉนันอนุญาตให้ใช้ทำไมจะใช้ไม่ได้ให้เธอลงเปล่งลัศิมีกายคิดว่ามีหกสีสิตอนนั้นพระองค์ก็ติ่งฉับพันดังสีสวยสดงดงามมาก อ้อก็เปล่งมากมั่งมันมีสภาพเหมือนกระดวงดาวอยูใกล้ดวงอาทิตย์สีมันจางๆบางๆมองไม่ชัดของท่านสว่างจ้าองค์สมเด็จพระสุธรรมยัยงทรงตรัสว่าเท่านี้นะพอช่วยคนเขาได้ก็ถามว่าจะใช้ในเวลาไหนเพราะใช้ในเวลาสอนธรรม แต่สีนี่ไม่ได้เปล่งให้คนใช้ตาเนยเห็นเปล่งให้คนนี้ก็ได้ที่พิจิตรยานเห็นนั่นนอกจากนั้นประเทศไทยกำลังมีความทุกข์เราเป็นพระเป็นหนี้บรรดาประชาชนชาวไทยเพราะว่าชีวิตของพระจะทรงชีวิตจนได้เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยง เธอจงใช้รัศมีกายนิทุกวันเปล่งไปทั่วบริเวณของประเทศอดิฐานจิตให้ประเทศมีความสุขให้ประเทศปลอดภัยจากพยานตรายของฆาสิกและก็แปลงว่าขอประเทศไทยอยู่รอดต่อไปมีความอดุดมสมบูรณ์ค่อยๆทำถ้าได้ผลด้วยฉับพลันไม่ได้ทำเรื่อยๆไป เนกะทนถามพองค์สำเนตไปจอมไตรวิจนี้จะสําเ ร, ร็จไปตามนั้นหรือท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าคนดีฆราหันก้นดีพร้อมก้นดีเทวดาก้ดีดดคําพูดเขาไม่ถอยหลังหมายความว่าตัดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นพ่อก็รับฟังต่อมาทต่งให้ว่าตอีกเล็กน้อยพูดว่าคนที่จะมาปฏิบัติธรรม ให้แนะนาว่าทุกคนจงอย่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นพ่อสรงชาตจงอย่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นพระอริยเจา้าให้มีจิตต้องการอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื้อของกิเลสทํากิเลสให้สิ้นไปเราจะถึงไหนนั่นมันเป็นเรื่องของกําลังจิตที่เราจะชาระกิเลส จงอย่าคิดว่าเป็นพ้ทโงนชานหรือเป็นพระอดียะมันจะเป็นมานะทิฏฐิแทนที่จะดีมันก็กลับเร็วแล้วก็จงแนะนำโลกศิษย์ทุกคนว่าเมื่อถึงนิพพานจิตถึงนิพพานในแล้วขึ้นมานิพพานบ่อยๆครั้งห น, นาทีสองหน้าทีก็ดีทำจิตให้เป็นสุขที่นิพพานแล้วก็ลงไปจะไปไหนก็ได้ อานิพันธ์เป็นจุดหมายต้นทางที่เราจะขึ้นไปก่อนจิตมันจะได้ชิงกับอนิพันธ์และให้ทุกคนวางอารมณ์เสียว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพระมโลกก็ดีไม่มีความหมายสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคืออนิพันธ์รู้รักตอนนี้ถ้าใครก็อ่านพระไตรปิฎกในคันธวัตเขาจะค้านบอกว่า ในพระขันธว่าบอกว่าแม้ปนิพาน์ก็ไม่นึกถึงให้ทำจิตให้สะอาดมตอนพ่อนึกถึงตอนนี้ขึ้นมาสมเด็จพระบรมโลกก็นาดทรงรู้ว่าน้ำใจใก็ทรงดัดว่าเรื่องนั้นจริงแต่ถาคดพูดไวจริงแล้วเธออย่าลืมว่าคนที่เดินไม่ถนัดจะเป็นโลกเนบชา เลื่อนเด็กที่ยังเดินไม่แข็งต้องเกาะราวก็หมายความว่าถ้ากําลังใจยังไม่ถึงอนาตผลก็ต้องใช้อุปสมานุสติกรรมฐานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไว้ก่อนเ<ไ>จงกว่าอารมณ์นั้นจะถึงอนาตผลมีการส่งตัวแล้วอารมณ์จิตมันจะปรากฏ ต, ตอนนี้ไม่ต้องเกาะราวไม่ต้องนึกถึงนิพพานก็ได้ ยังไงยังไงก็ต้องมานิพพานเพราะจิตมันหมดจากกิเลสเมือ่อทรงตรัสเสร็จองสมเด็ชพระรามโลกกระเชะก็ทรงตัดว่าขึ้นมันนานแล้วโลกกลับลงไปเถิดเมื่อพระองค์ทรงตัดพ่อก็เฉยพระองค์ก็ทรงตัดสซ้ำกลับลงไปทโลกแล้วท่านก็เสด็จลงพราะท่ะาทนเสด็จลงทุกคนเขก็มาหมดพ่อก็ต้องมา มาถึงเิงร่างกายมันนอนคดโลอยู่ในท่าลักษณะที่ขางอเข้าไปหน่อยดึงเข้าไปแล้ว ง, งอขาเข้าไปหน่อยแบบธรรมาดาดัมดาแล้วก็มีการนอนตะแคงฝาพาเข้ามาสู่ร่างกายก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงลูกนอนทาอนันตวงเรียกว่าลงพ่อลงพ่อ ก็วันนี้รู้สึกแล้วขานตัวรับขันรับว่าขันรับแล้วก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมามันก็ยังมืดพ่อมองไม่เห็นอะไรจริงๆตามันก็ค่อยสว่างขึ้นเรื่อยน้อยเรื่น้อ ย, อยมองไปที่พื้นเห็นพรมสีเขียวคิดว่าเอ๊ะ น, นี่เรานอนที่ไหนนะเมื่อกี้นี่เราอยู่ในซุ่มนี่แล้วออกมาได้ยังไง แล้วก็มองตามันสว่างขึ้นมองไปทีเห็นประตูหน้าห้องมันทึกเสียงเห็นหม้อบแบตเตอรี่แล้วก็เลยทราบว่าเวลานี้เรานอนอยู่หน้าสวม น, นึกไม่ออกว่ามันออกมาได้ยังไงนึกทบทวนไปนะึกทบทวนมาก็นึกว่าอ๋อขณะที่เราเดินออกมาหน้าเรามืดเรามองอะไรไม่เห็นเรานอนตรงนี้ ตอนนั้นก็ดีนเสียงโสเซเสียงก็องค์สมเด็จพระกินาสีว่านี่เธอตายไปแล้วนะแล้วก็เวลานี้เธอเกิดใหม่เมื่อเธอเกิดใหม่ก็ต้องถือวันเกิดของเธอก็คือวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยยี่ิบสองเธอจึงรับภาระอันนี้ต่อไป องค์สมเด็จไปจอมไตรก็สง ม, มอบหมายภาระแล้วก็กำหนดวันเวลาวะควรจะตายไปอวีเท่านันปีเท่านิตีแต่ภาระอันนี้ปลายกฎว่าองค์สมเด็จไปยืนสีมอบไวหนักมากทรงจัดง่ายๆวะจงอย่าท้อถอยในการต่อสู้กับอรัชี ถ้ามจฉะนั้นแล้วพระาศาสนาจะต้องสลายตัวแล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนทุกอย่างที่พ่อสั่งแล้วก็แนะนำลูกศิษย์ทุกอย่างประเภทเอาจริงเอาจังนี่เราทรงเด็ดว่าลูกนะ่ะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยนะ พ่อเวลาที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มีร่างกายอยู่เวลาที่สอนธรรมในการบางครั้งพ่ออยู่สุขวิหารครั้งละสิบห้าวันพ่อมีเวลาพักผ่อนแต่ลูกไม่มีเวลาพักผ่อนเลยต่อไปก็ควรจะหาเวลาพักผ่อนสับ้างถือว่าวิชาความรู้เราให้เขาไปแล้ว อย่าให้เขาติดเจ็บกันจึงเกินไปสอนให้เขาเข้าใจรุ้สารรักษาตนเองกันบ้างถ้าใครเขาไม่รู้จักช้ช่วยตัวเองก็จงปัดไปเลยสอนแล้วหนึ่งวาระเขาไม่รับฟังย่งถือมานะทิฐิก็ให้ตัดไปเลยตอนนี้เราจะเลือกคัดเอาเฉพาะคนดีเท่านั้น คนนี่เขาไม่ดีก็อย่าเข้าไปสนใจกับเขาสอนเขาไม่เชื่อก็อย่าโอ้ปล่อยเขาไปตามทางของเขาเพราะว่าพวกปะทะประมะนี่พ่อเองพ่อก็ไม่สอนเป็นอันหลังจากพระองค์เตือนตามนั้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมีกำลังตามปกติ และพระองค์ก็ทรงตัดว่าออกไปทั้งนอกทัง้งโลกว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะห่วงก็วันณพ่อก็มองดูสถานที่ว่าพ่อสร้างที่วัดท่าสงนีรนับเงินแล้วร้อยล้านเศษน่าสร้างที่อื่นไม่มากมายแต่ว่าที่นอนตายของพ่อก็คือหน้าสวมมีพื้นที่กว้างหนึ่งเมตร นั่นก็ยาวสี่เมตรแต่ว่าที่นอนตายจริงๆมันกว้างหนึ่งเมตรนั้วก็ยาวประมาณเม็ดเศษดนิดๆเพราะขาไม่งอเข้ามานี่เป็นความหมายความหมาย ว, ว่าการติดวัตถุไม่มีความหมายที่เราสร้างไว้ก็เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเรา เราไม่สร้างเพื่อตัวสร้างเพื่อคนดีแต่ไม่ได้สร้างเพื่อคนเลว <Yeah. S 1> แต่ว่าคนเลวเขายังคิดว่าเป็นเรื่องของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อยู่ในภาคกาสาวพัด <Yeah. S 1> นั่นเป็นเรื่องของเขาหนาโลกเมื่อออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีคนหมอลนจวน <Yeah. S 1> อันเชิญมนีจักใหญ่อีกนนทา น, านทันตวง แล้วก็มีใครบ้างเพราะก็จําไม่ได้พาการวุ่นวายมาต่างคนต่างให้ยากันออกมาแล้วก็รู้สึกจิตใจมันก็สบายนีโลกูกเรียวแรงมันก็ยังดีเขาก็จัดยาการฉีดยากันบ้างให้น้ําเกลือกันบ้างให้น้ําเกลือกเกี่ยวกา v i t a m i ินนี่ก็ทําทุกอย่างพราะพูดก็คุยก็ดีก็ได้เรียวแรงมันดี จิตมันเป็นสุขแต่ว่าพอตอนบ่ายพอวิตามินหมดปรากฏว่าผมพ่อเห็นว่าแล้วเรี่ยวแรงมันดีนพ่อกลุกคนเดินเดินไปเดินมาประเดี๋ยวเดียวหน้ามันก็เริ่มมึดมันมีอาการตัวเบาพ่ต้องกลับมานอนใหม่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าหน้าขาวซี่พ่อมีความรู้สึกตัวพ่อหมดกำลัง ตอนนี้เอี่ยมยมอาจก็ทําทําการมาโคดเขาบอกว่าเป็นป่วงก็แปลกเป็นเรื่องแปลกอยูนิดถาเอาเงินเอาฟตังแดงมาโคดมาโคดแล้วก็ลดลงอาการท้องอืดอาการป่วงมันต้องทัองอืดทั้งเสียดทั้งลงทั้งอกักแต่ก็เป็นการแปลกทุกเวทนานี้ไม่ได้มีกระพ่อเลยรู้สึกว่าท้องมันอืด น, นิดนิ ด, นดที่มันหมดแรงก็หมายว่าแก๊สปันดังขึ้นมามาก อากายเป็นป่วงนี้พ่อจะเล่าตอนหลังเพราะเป็นมาอย่างหนักโรคแต่การคราวนี้แปลกที่สุดที่มันไม่มีทุกขเวทนาทางใจเลยทางกายมันน่าจะมีตทุกขเวทนาไม่มีจริงๆทางใจมันมีความรู้สึกว่ากายเป็นปกติแต่ทั้นนี้จิตใจของพ่อไม่ได้ห้างพระพุทธเจ้า ทุกท่านทั้งพ่อทั้งแม่ลูกบทพัญญาและก็เพื่อนเพนพระพรมนั้นร้องเห็นเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นปกติทั้งหมดจิตใจมันก็ชุ่มชื่นเลยไม่มีความรู้สึกทางกายวัตถุกเวทนามันมีขนาดไหนมันมีอารมณ์ใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขนี่จะรัรกจำให้ดีนะ ที่พ่อพูดให้ฟังนี้ความจริงมันยังไม่จบก็หมายถึงหมายถึงว่าจะเล่ากันต่อไปมันก็แค่นั้นแหละตวันรุ่งขึ้นก็มีการให้น้ำเกลือกันอี ก, กว่าตอนกลางคืนเวลาที่จะเข้าไปนอนก็มีไม่เห็นนอกจากวัทวดากับพรอื่นแล้วก็มีคณะของทัพมหาราชสองท่าน เป็นคณะวชิระแต่งตัวสีแดงมาดังโค่ิ่งถามว่าเพื่อนวันพรุ่งนี้ฉันจะเป็นอะไรบ้างบอนิดหน่อยให้น้ำเกลือเช้วกันแล้วก็ถามว่าวันนี้จะมีอะไรบอกไหมเออเสียติดหน่อยก็<อ>ตัดตัซเชนกันแล้วกันตัดหมายความว่าตัดอารมณ์ก็เป็นจริงตามธนวา่าก็จึงนับอกว่าเพื่อนพรุ่งนี้ช่วยกินข้าวหน่อยนะ มันเป็นวันที่สิบเก้าแล้วประเดี๋ยวยี่สิบยิบเอ็ดจะไม่มีแรงแต่ก็บอกว่านายพอวันรุ่งขึ้นพอกินข้าวเช้าก็าไปค่อนหมออข้าวเพลงก็กินสี่ค่อนหมออก็ร่างกายก็มีแรงตอนท่านมาถามว่าเพื่อนทำไมไม่แต่งตัวให้สวยละ่ะเวลานี้พระพุทธเจ้าสเสด็จใครก็อยู่ด้วยพร้อมเจ้านายก็อยู่พร้อมท่านบอกว่าเป็นกาลังอยู่เวร อยู่เองเขาต้องแต่งตัวแบบนี้แต่ความจริงเขาแต่งตัวเต็มที่เหมือนกับพรมเขาสวยมากเพื่อนนั้นว่าสำหรับการตายครั้งที่เจ็ดลกครับพ<ม>่อก็อขโสรุปลงเปแค่นี้ว่าชีวิตเต็นสีของพ่อนะ่ะรู้จะถือกันห้าเป็นสำคัญนะและจงจำไว้ว่าสังขารุปเปฆายาน ถ้าเราพยายามวางวางกันไว้สภาพมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งนี้พ่อก็ต้องขอขอบคุณท่านลุงท่านที่ครั้งหนึ่งพอพบ ก, กับท่านถามว่าพ่อจะตายด้วยอาการอย่างไรให้พ่อเนี่ยต้องตายเพราะโรคท้องแน่แต่บอกอืด น, นิดนิดเสียจหน่อยหน่อยก็เลยเรียนท่านว่าเกรงว่ามันจะไม่ได้สติท่านบอกก็ไม่เป็นไรในสติก็ขอท่านบอกว่าเอาตายแค่หมดแรงไปเฉยได้ไหม แยัยอืดให้เสียดเลยท่านก็บอกวคนได้แล้วเขียนไปตามนั้นเป็นนว่าชีวิตของพ่อก็เข้าถึงอายุไขแต่ความจริงมันเลยอายุไขแล้วนะลูกรักนะพ่อจะเล่าในเทปหน้าว่าทําไมพ่อจะต้องมาตายกันปีนี้ความจริงเวลาจะตายจริงๆมันต้องเป็นปีหน้าปีสองพันห้าสิบสี่ ทำไมจะต้องมานั่งตายกันปีนี้ถ้ามันก่อนกำหนดเวลาที่พ่อจะต้องรู้ว่าตายปศ .2524 นี่ไม่ใช่14นะ2524เหตุผลมันมีแต่ว่าสำหรับเทหน้านี้มันหมดเสร็จแล้วนี่ลกูกเอาไว้ฟังกันหน้าหน่อยตับหน้าใหม่ต่อไปนะจ๊ะขอลูกรับของพ่อทุกคนผู้ทรงความดี และเป็นลูกที่มีความกระตัญญูกตะเทวทีลำบากเพื่อพ่อทุกอย่างขอลูกทั้งหมดว่าทําใดที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตมีความปรารถนาคือพระนิพพานขอลูกรักของพ่อทุกคนจงเข้าถึงพระนิพพานตามความปรารถนาขององสมเด็จพระกิตต ม, มารในชาตินี้ทุกคนสวัสดีลก